ปริญญาวาระหนึ่งปัจจุบั น, นวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันสองอนุบุคคลใดกำลังกำหนดรู้รูปขันธ์บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้เวทนาขันธ์ใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดกำลังกำหนดรู้เวทนาขันธ์บุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้รูปขันธ์ใช่ไหมวิใช่อนุ บุคคลใดไม่ใช่กาลังกําหนดรู้รูปขันบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กาลังกาหนดรู้เวทนาขันใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่กําลังกําหนดรู้เวทนาขันบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้ๆๆรูปขันใช่ไหมวิใช่สองอตีตะวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอดีตสองอเจอนุ บุคคลใดเคยกำหนดรู yes. ้ร <médico S 1> ูปขันบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้เวทนาขันใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดเคยกำหนดรู้เวทนาขันบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้รูปขันใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้รูปขันบุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันใช่ไหมวิใช่ปฏิ บุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันธ์บุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้รูปขันธ์ใช่ไหมวิใช่สอนาคตะวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตสองรออนุบุคคลใดจะกำหนดรู้รูปขันธ์บุคคลนั้นก็จะกำหนดรู้เวทนาขันธ์ใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดจะกำหนดรู้เวทนาขันธ์ บุคคลนั้นก็จะกำหนดรู้รูปขันใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดไม่ใช่จักกำหนดรู้รูปขันบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้เวทนาขันใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่จักกำหนดรู้เวทนาขันบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักกำหนดรู้รูปขันใช่ไหมวิใช่สี่ปัจจุปันนาติตวาระ ว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตสองอนุบุคคลใดกําลังกําหนดรู้รูปขันบุคคลนั้นก็เคยกําหนดรู้เวทนาขันใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดเคยกําหนดรู้เวทนาขันบุคคลนั้นก็กําลังกําหนดรู้รูปขันใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้รูปขัน บุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันใช่ไหมวิอรหันตแต่บุคคลไม่ใช่กำลังกำหนดรู้รูปขันแต่ไม่ใช่ไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันเว้นบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักษ์และอรหันตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่ใช่กำลังกำหนดรู้รูปขันและก็ไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขันปฏิบุคคลใดไม่เคยกำหนดรู้เวทนาขัน บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้รูปขันใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอรหัตนตมักไม่เคยกําหนดรู้เวทนาขันแต่ไม่ใช่ไม่กําลังกําหนดรู้รูปขันเว้นบุคคลผู้พร้อมเพยงด้วย อ, ร ห, ร, อรหันตมัคและอรหันตตบุคคลแล้วบุคคลที่เหลือไม่เคยกําหนดรู้เว е ทนาขันและก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้รูปขันห้าปัจจุปันานาคตาวาระ ว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตสอง้อยสิบอนุบุคคลใดกาลังกาหนดรู้รูปขันบุคคลนั้นก็จะกำหนดรู้เวทนาขันใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดจะกำหนดรู้เวทนาขันบุคคลนั้นก็กำลังกำหนดรู้รูปขันใช่ไหมวิไม่ใช่อนุบุคคลใดไม่ใช่กำลังกำหนดรู้รูปขัน บุคคลนั้นก็ไม่ใช่จากกำหนดรู้เวทนาขันใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจากได้มักบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังกำหนดรู้รูปขันแต่ไม่ใช่จากไม่กำหนดรู้เวทนาขันอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุตุชนเหล่าใดจากไม่ได้มักอรหันตแต่บุคคลและบุคคลผู้เป็นปุตุชนเหล่านั้นไม่ใช่กำลังกำหนดรู้รูปขันและก็ไม่ใช่จากกาหนดรู้เวทนาขันปฏิ บุคคลใดไม่ใช่จากกําหนดรู้เวทนาขันธ์บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังกําหนดรู้รูปขันธ์ใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอรหันตมักไม่ใช่จากกําหนดรู้เวทนาขันธ์แต่ไม่ใช่ไม่กําลังกําหนดรู้รูปขันธ์อรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนเหล่าใดจากไม่ได้มักอรหันตบุคคลและบุคคลผู้เป็นปุถุชนเหล่านั้นไม่ใช่จากกําหนดรู้เวทนาขันธ์ แล้วก็ไม่ใช่กำลังกำหนดรู้รูปรขันห 6. อตีตาณกระวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตสองอสออนุบุคคลใดเคยกำหนดรู้รูปรขันบุคคลนั้นก็จะกำหนดรู้เวทนาขันใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิบุคคลใดจะกำหนดรู้เวทนาขันบุคคลนั้นก็เคยกำหนดรู้รูปรขันใช่ไหม วิไม่ใช่อนุบุคคลใดไม่เคยกําหนดรู้รูปขันบุคคลนั้นไม่ใช่จักกําหนดรู้เวทนาขันใช่ไหมวิบุคคลเหล่าใดจักได้มักบุคคลเหล่านั้นไม่เคยกําหนดรู้รูปขันแต่ไม่ใช่จักไม่กําหนดรู้เวทนาขันบุคคลผู้พร้อมเพีลงด้วยอารหาธรรมค์และบุคคลผู้เป็นปุถุชนเหล่าใดจักไม่ได้มักบุคคลผู้พร้อมเพีลงด้วยอารหาธรรมค์ และบุคคลผู้เป็นปุตุชนเหล่านั้นไม่เคยกำหนดรู้รูปขันและก็ไม่ใช่จากกำหนดรู้เวทนาขันปฏิ บ, บุคคลใดไม่ใช่จากกำหนดรู้เวทนาขันบุคคลนั้นก็ไม่เคยกำหนดรู้รูปขันใช่ไหมวิอรหันต่อบุคคลไม่ใช่จากกำหนดรู้เวทนาขันแต่มิใช่ไม่เคยกำหนดรู้รูปขันบุคคลผูพ้พร้อมเพรียงด้วยอรหันตมรกและบุคคลผู้เป็นปุตุชนเหล่าใดจากไม่ได้มรก บุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมักและบุคคลผู้เป็นปุถุชนเหล่านั้นไม่ใช่จักกำหนดรู้เวทนาขันแล้วก็ไม่เคยกำหนดรู้รูปรขันปริญญาวาระจบขันธยมกะจบ ยตนะยมกัดหนึ่งปัญญติวารุเทศหนึ่งยตนะสิบสองคือหนึ่งจักขายตนะสองโสตายตนะสคานายตนะสชิวหายตนะหากายายตนะหครูปายตนะเจดสัทายตนะ8คันทายตนะ9ารัศายตนะสบโพธายตนะสบอมนายตนะ สิบธรรมายตนะหนึ่งปัทถโสธนวาระว่าด้วยการอธิบาย ค, คำของแต่ละบทอนุโลมสองจักขุเป็นจักขายตนะใช่ไหมจักขายตนะเป็นจักขุใช่ไหมโสตะเป็นโสตายตนะใช่ไหมโสตายตนะเป็นโสตะใช่ไหมคาณะเป็นคานายตนะใช่ไหมคานายตนะเป็นคาณะใช่ไหม ชิวหาเป็นชิวหายาตนะใช่ไหมชิวหายาตนะเป็นชิวห า, าใช่ไหมกายเป็นกายายาตนะใช่ไหมกายายาตนะเป็นกายใช่ไหมรูปเป็นรูปายาตนะใช่ไหมรูปายาตนะเป็นรูปใช่ไหมสัทธะเป็นสัทธายาตนะใช่ไหมสัทธายาตนะเป็นสั <PG> สทธะใช่ไหมคันทะเป็นคันทายาตนะใช่ไหม คันทายัตนาเป็นคันทะใช่ไหมระเป็นรกายัตนาใช่ไหมรัายัตนะเป็นรัะใช่ไหมโพธภะเป็นโพธภายัตนาใช่ไหมโพธภายัตนาเป็นโพธพภะใช่ไหมมณะเป็นมณายัตนาใช่ไหมมนายัตนาเป็นมณะใช่ไหมธรรมะเป็นธรรมายัตนาใช่ไหมธรรมายัตนาเป็นธรรมะใช่ไหม ปเจเนกะสสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขายตนะไม่เป็นจักขู่ใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตายตนะไม่เป็นโสตะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นคานายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานายตนะไม่เป็นคานะใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาไม่เป็นชิวหายาตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหายาตนะไม่เป็นชิวหาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายายาตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายายาตนะไม่เป็นกายใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปายาตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปายาตนะไม่เป็นรูปใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัทธะไม่เป็นสัทธายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นสัทธายตนะไม่เป็นสัทธะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะไม่เป็นคันไายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันไายตนะไม่เป็นคันทะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรสะไม่เป็นรสายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรสายตนะไม่เป็นรสะใช่ไหม ส, itas, ภうう Notice, สภาวธรรมที่ไม่เป็นโผฏฐะพระไม่เป็นโผฏฐายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโผฏฐายตนะไม่เป็นโผฏฐะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมณะไม่เป็นมนายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมนายตนะไม่เป็นมณะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นธรมมายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมายตนะไม่เป็นธรรมะใช่ไหม สอปะทะสวันะโมและจักกะวาระว่าด้วยการอธิบายคำของบทโดยยึดบทประธานเป็นหลักดึกงจักอนุโลมสจักขุเป็นจักขายัตนะใช่ไหมอายัตนะเป็นโสตายัานาายตนะใช่ไหมจักขุเป็นจักขายัตนะใช่ไหมอายัตนะเป็นคานายัตนะใช่ไหมจักขุเป็นจักขายัตนะใช่ไหม อายตนะเป็นช so ิวหายตนะใช่ไหมจักขุเป็นจักหายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมโสตเป็นโสตายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นจักขายตนะใช่ไหมโสตเป็นโสตายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นคานายตนะใช่ไหมโสตเป็นโสตายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมคานะ เป็นขานายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นจักขายตนะใช่ไหมละถึงอายตนะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมธรรมะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นจักขายตนะใช่ไหมธรรมะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นโสตายตนะใช่ไหมธรรมะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นมนายตนะใช่ไหม พึงผูกเป็นจักกะในปัจจเนกะห้าสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขายัตณะใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาญตนะไม่เป็นโสตายัตณะใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขายัตนะใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอาญัตนะไม่เป็นคานายัตนะใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขายตณะใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตไม่เป็นโสตายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นจักขายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตไม่เป็นโสตายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นคานายตนะใช่ไหม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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นโสตายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นมนายตนะใช่ไหมพึงผูกเป็นจักกนัยสสุทายตนะวาระว่าด้วยการอธิบายอายตนะล้วนลวนอนุโลมหจกักโผลเป็นอายตนะใช่ไหม อายตนะเป็นจักขูใช่ไห ah, มโสตะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นโสตะใช่ไหมคานะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นคานะใช่ไหมชิวหาเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นชิวหาใช่ไหมกายเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นกายใช่ไหมรูปเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นรูปใช่ไหม สัทธะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นสัทธะใช่ไหมคันทะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นคันทะใช่ไหมรสะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นรสะใช่ไหมโภธาเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นโภธาใช่ไหมมณะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นมณะใช่ไหมธัมมะเป็นอายตนะใช่ไหม อายตนะเป็นธรรมะใช่ไหมปัจเนกะเจ็ดสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นจักขุใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นโสตะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นอายตนะใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นภาณะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นชิวหาไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นชิวหาใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นกายใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นรูปใช่ไหม สภาวธรรมที่ไม่เป็นสัทธะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นสัทธะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นคันทะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นรสะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นรสะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นโพธะ ไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป <pl> ็นอายตนะไม่เป็นโัพภะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นมณะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นมณะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมะใช่ไหมสสุทายตนะมูลจักกระวาระ ว่าด้วยการอธิบายคำของบทที่มีอายตนะล้วนๆเป็นมูลดุดคงจักอนุโลมแปดจากขุเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นโสตะใช่ไหมจากขุเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นธรรมะใช่ไหมโสตะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นจากขุใช่ไหมโสตะเป็นอายตนะใช่ไหม อายตนะเป็นธรรมะใช่ไหมคานะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นจักผุใช่ไหมคานะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นธรรมะใช่ไหมธรรมะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นจักผุใช่ไหมธรรมะเป็นอายตนะใช่ไหมอายตนะเป็นโสตะใช่ไหมธรรมะเป็นอายตนะใช่ไหม อายตนะเป็นมณะใช่ไหมพึงผูกเป็นจักกนัยปัจจินีกะเกสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นโสตะใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอายตนะใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมะใช่ไหมสภาวะธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นอายตนะใช่ไหม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 ปัญญติวาระอุเทศจบหนึ่งปัญญติวารานิเทศหนึ่งปทโสธนะวาระอนุโลมจักขายะนะโมลกนัอิิันุจักขุ เป็นจักขายาตณะใช่ไหมวิทิปจักขุปัญญาจักขุเป็นจักขุแต่ไม่เป็นจักขายาตนะจักขายาตนะเป็นจักขุก็ใช่เป็นจักขายาตนะก็ใช่ปฏิจักขายาตนะเป็นจักขุใช่ไหมวิใช่อนุโสตะเป็นโสตญาตณะใช่ไหมวิทิปโสตะตันหาโสตะเป็นโสตะแต่ไม่เป็นโสตญาตนะ โสตายตนะเป็นโสตะก็ใช่เป็นโสตายตนะก็ใช่ปฏิโสตายตนะเป็นโสตะใช่ไหมวิใช่อนุคานะเป็นคานายตนะใช่ไหมวิใช y ata y ata exactly. ่ปฏิคานายตนะเป็นคานะใช่ไหมวิใช่อนุชิวหาเป็นชิวหายตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิชิวหายตนะเป็นชิวหาใช่ไหม วิใช่อนุกายเป็นกายยายัตนะใช่ไหมวิเว้นกายยายัตนะแล้วกายที่เหลือเป็นกายแต่ไม่เป็นกายยายัตนะกายยายัตนะเป็นกายก็ใช่เป็นกายายัตนะก็ใช่ปติกายยายัตนะเป็นกายใช่ไหมวิใช่อนุรูปเป็นรูปปายยตนะใช่ไหมวิเว้นรูปปายยตนะแล้วรูปที่เหลือเป็นรูป แต่ไม่เป็นรูปายตนะรูปายตนะเป็นรูปก็ใช่เป็นรูปายตนะก็ใช่ปติรูปายตนะเป็นรูปใช่ไหมวิใช่อนุสัทธะเป็นสัทธายตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิสัทธายตนะเป็นสัทธะใช่ไหมวิใช่อนุคันทะเป็นคันทายตนะใช่ไหมวิสีและคันทะกลิ่นคือสี สมาธิคันทะกลิ่นคือสมาธิปัญญาคันทะกลิ่นคือปัญญาเป็นคันทะแต่ไม่เป็นคันทายตนะคันทายตนะเป็นคันทะก็ใช่เป็นคันทายตนะก็ใช่ปฏิคันทายตนะเป็นคันทะใช่ไหมวิใช่อนุรสะเป็นรสายตนะใช่ไหมวิอรรถธรรมรสวิมุติรสเป็นรสะแต่ไม่เป็นรสายตนะ รัายตนะเป็นรัศก็ใช่เป็นรัายตนะก็ใช่ปฏิรัายตนะเป็นรัศใช่ไหมวิใช่อนุโผดภะเป็นโผดพายตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิโผดพายตนะเป็นโผดภะใช่ไหมวิใช่อนุมณะเป็นมณายตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิมนายตนะเป็นมณะใช่ไหมวิใช่ อนุธรรมะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิเว้นธรรมายตนะแล้วสภาวะธรรมที่เหลือเป็นธรรมะแต่ไม่เป็นธรรมายตนะธรรมายตนะเป็นธรรมะก็ใช่เป็นธรรมายตนะก็ใช่ปฏิธรรมายตนะเป็นธรรมะใช่ไหมวิใช่ปัจจ尼กะสิบเอ็ดอนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขาายตนะใช่ไหมวิใช่ ปติสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขายัตนะไม่เป็นจักขูใช่ไหมวิที่ประจักขูปัญญาจักขูไม่เป็นจักขายัตนะแต่เป็นจักขูเว้นจักขู่และจักขายตนะแล้วรูปที่เหลือไม่เป็นจักขู่ก็ใช่ไม่เป็นจักขายัตนะก็ใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตายาตนะใช่ไหมวิใช่ปิ สภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตายตนะไม่เป็นโสตะใช่ไหมวิ hurting, ทิพโสตะตัณหาโสตะไม่เป็นโสตายตนะแต่เป็นโสตะเว้นโสตะและโสตายตนะแล้วรูปที่เหลือไม่เป็นโสตาก็ใช่ไม่เป็นโสตายตน ะ, ตนโ <outline> โนนตะก็ใช่อนสุ us, สภาวธรรมที่ไม่เป็นคานะไม่เป็นคานายตนะใช่ไหมวิใช really? ่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นคานายตนะ ไม่เป็นคาณะใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นชิวหาไม่เป <work> cool ็นชิวหายาตณะใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นชิวหายาตณะไม่เป็นชิวหาใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นกายายาญาตณะใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกายายาญาตณะไม่เป็นกายใช่ไหมวิ เว้นกายายัตนะแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นกายายัตนะแต่เป็นกายเว้นกายและกายายัตนะแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นกายก็ใช่ไม่เป็นกายายัตนะก็ใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปไม่เป็นรูปายัจนะใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูปายัจนะไม่เป็นรูปใช่ไหมวิเว้นรูปายันะแล้ว รูปที่เหลือไม่เป็นรูปายตนะแต่เป็นรูปเว้นรูปและรูปายตนะแล้วรูปที่เหลือไม่เป็นรูปก็ใช่ไม่เป็นรูปายตนะก็ใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสัทธะไม่เป็นสัทายตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นสัทายตนะไม่เป็นสัทธะใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นคันทะไม่เป็นคันทายตนะใช่ไหม วิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นคันทายตนะไม่เป็นคันทะใช่ไหมวิศีละคันทะสมาธิคันทะปัญญาคันทะไม่เป็นคันทายตนะแต่เป็นคันทะเว้นคันทะและคันทายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นคันทะก็ใช่ไม่เป็นคันทายตนะก็ใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นรสะไม่เป็นรสายตนะใช่ไหมวิใช่ ปติสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรัายตนะไม่เป็นรัศใช่ไหมวิอัทธรตธรรมรตวิมติรตไม่เป็นรัายตนะแต่เป็นรัะเว้นรัะและรัายตนะแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นรัศก็ใช่ไม่เป็นรัายตนะก็ใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นโผฏฐะไม่เป็นโผฏฐายตนะใช่ไหมวิใช่ปติ สภาวธรรมที่ไม่เป็นผโฑทพายตนะไม่เป็นผโฑทพะใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นมณะไม่เป็นมนาญตนะใช<จ>่ไหมวิใช่ปติสภาวธรรมที่ไม่เป็นมนาญตนะไม่เป็นมณะใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิใช่ปติสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมายตนะ ไม่เป็นธรรมะใช่ไหมวิเว้นธรร ม, มายตนะแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นธรร ม, มายตนะแต่เป็นธรร ม, มะเว้นธรรมะและธรร ม, มายตนะแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นธรรมะก็ใช่ไม่เป็นธรรมายตนะก็ใช่สองปัทสโธธนะมูลจักกะวาระอนุโลมสิบสองอนุจกักขุเป็นจักขายตนะใช่ไหมวิที่ปจัจจคุ ปัญญาจักขูเป็นจักขู่แต่ไม่เป็นจักขายาตนะจักขายาตนะเป็นจักขูก็ใช่เป็นจักขายาตนะก็ใช่ปาติอายตนะเป็นโสตายตนะใช่ไหมวิโสตายตนะเป็นอายตนะก็ใช่เป็นโสตายตนะก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นโสตายตนะอนุจักขูเป็นจักขายาตนะใช่ไหมวิที่ประจักขู ปัญญาจักขูเป็นจักขูแต่ไม่เป็นจักขายาตนะจักขายาตนะเป็นจักขูก็ใช่เป็นจักขายาตณะก็ใช่ปฏิอายตนะเป็นคานายตนะใช่ไหมปฏิอายตนะเป็นธรรมายตณะใช่ไหมวิธรรมายตนะเป็นอายตนะก็ใช่เป็นธรรมายตนะก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นธรรมายตนะอนุโสตะ เป็นโสตายตนะใช่ไหมสภาวะธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นธรรมายตนะอนุธรรมะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิเว้นธรรมายตนะแล้วสภาวะธรรมที่เหลือเป็นธรรมะแต่ไม่เป็นธรรมายตนะธรรมา ย, schön, ยตนะเป็นธรรมะก็ใช่เป็นธรรมายตนะก็ใช่ปติอายตนะเป็นจักขายตนะใช่ไหมวิจักรายตนะเป็นอายตนะก็ใช่ เป็นจักขายาตนะก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอายตณะแต่ไม่เป็นจักขายาตนะอนุธรรมะเป็นธรรมายตณะใช่ไหมวิเว้นธรรมายตณะแล้วสภาวะธรรมที่เหลือเป็นธรรมะแต่ไม่เป็นธรรมายตนะธรรมายตนะเป็นธรรมะก็ใช่เป็นธรรมายตนะก็ใช่ปฏิอายตณะเป็นโสตายตนะใช่ไหมปฏิอายตณะเป็นมัญญายตนะใช่ไหม วิมนายตนะเป็นอยายตนะก็ใช่เป็นมนายตนะก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นมนายตนะผู้มีปัญญาพึงผูก ah เป็นจักรในที่มีบทแต่ละบทเป็นมูลปัจจณิกะสิบสอนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจักขูไม่เป็นจักขายตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอายตนะ ไม่เป็นโสตายัตนะใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นจักขายัตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นขานายตนะใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธํามายตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นโสตายัตนะใช่ไหม วิใช่อนุสภาวธรรมที fit, ่ไม <lerin> ่เป็นอายตนะไม่เ <zeug> ป <deber> <PCB> ็นจ <screen> ักขาายตนะใช่ไหมปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นคลานะไม่เป็นคลานายตนะใช่ไหมปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นธรรมะ ไ ม, ไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นจักขาายตนะใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิใช่ปติสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นโสตายตนะใช่ไหมปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นมนายตนะใช่ไหม วิใช่เมื่อผูกเป็นจักรนัยแล้วพึงเพิ่มคำว่าอามันตาใช่ทุกๆุกบท 3. ส, สุดท้ายยตนาวาระอนุโลม14อนุจักขุเป็นอายตนาใช่ไหมวิใช่ปฏิอายตนะเป็นจักขายตนาใช่ไหมวิจักขายตนาเป็นอายตนาก็ใช่เป็นจักขายตนะก็ใช่ สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นจักขาอายตนะอนุโสตะเป็นอายตนะใช่ไหมวิใช่คานะชิวหากายรูปสัทธะคันทะรสะโพธภพะมณนะอนุธรรมะเป็นอายตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิอายตนะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิธรรมายตนะเป็นอายตนะก็ใช่ เป็นธรรมายตนะก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นธรรมายตนะปัจเนกะสิบห้าอนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นจักขุไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิเว้นจักขุแล้วอายตนะที่เหลือไม่เป็นจักขุแต่เป็นอายตนะเว้นจักขุและอายตนะแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขุก็ใช่ไม่เป็นอายตนะก็ใช่ปติ สภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นจักขาอายตนะใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสตะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิเว้นโสตะแล้วเว้นขานะแล้วเว้นชิวหาแล้วไม่เป็นอายตนะอนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นกายายตนะใช่ไหม วิใช่อนุสภาวะธรรมที <Kathleen> ่ไม่เป็นร okay. ูปไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิเว <ø writings> <c oughs> <h> ้นรูปแล้วเว้นสัทธะแล้วเว้นคันทะแล้วเว้นรสะแล้วเว้นโผฏฐะแล้วไม่เป็นอายตนะปติสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นโผฏฐายตนะใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นมรณะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิ เว้นมณะแล้วอายตนะที่เหลือไม่เป็นมณะแต่เป็นอายตนะเว้นมณะและอายตนะแล้วสภาวะธรรมที่เหลือไม่เป็นมณะก็ใช่ไม่เป็นอายตนะก็ใช่ปฏิสภาวะธรรมที่มีเป็นอายตนะไม่เป็นมนายตนะใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นธรรมะไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอายตนะ ไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิใช่สสุทายาตนะมูลจักรกวาระอนุโลมสิบหอนุจักขุเป็นอายตนะใช่ไหมวิใช่ปาติอายตนะเป็นโสตายายตนะใช่ไหมวิโสตายาตนะเป็นอายตนะก็ใช่เป็นโสตายาตนะก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นโสตายายตนะ อนุจักขุเป็นอายตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิอายตนะเป็นภาณายตนะใช่ไหมปฏิอายตนะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิธรรมายตนะเป็นอายตนะก็ใช่เป็นธรรมายตนะก็ใช่สภาวะธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นธรรมายตนะอนุโซตะเป็นอายตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิ อายตนะเป็นจักขายตนะใช่ไหมไม่เป็นจักขายตนะปฏิอายตนะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมไม่เป็นธรรมายตนะอนุคาณะเป็นอายตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิอายตนะเป็นจักขายตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิอายตนะเป็นธรรมายตนะใช่ไหมไม่เป็นธรรมายตนะอนุ ธรรมะเป็นอายตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิอายตนะเป็นจักขาอยตนะใช่ไหมปฏิอายตนะเป็นมนายตนะใช่ไหมวิมนายตนะเป็นอายตนะก็ใช่เป็นมนายตนะก็ใช่สภาวธรรมที่เหลือเป็นอายตนะแต่ไม่เป็นมนายตนะพึงผูกเป็น จ, กน จ, จนักขาในปจเนกะสิบเจ็ดอนุ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 วิเว้นจากขูแล้วอายตนะที่เหลือไม่เป็นจักขูแต่เป็นอายตนะเว้นจากขูและอายตนะแล้วสภาวธรรมที่เหลือไม่เป็นจักขูก็ใช่ไม่เป็นอายตนะก็ใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นขานายตนะใช่ไหมปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิใช่อนุสภาวธรรมที่ไม่เป็นโสต ไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิเว้นโสตะแล้วเว้นขานะแล้วเว้นชิวหาแล้วไม่เป็นอายตนะปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นธรรมายตนะใช่ไหมวิใช่อนุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นกายไม่เป็นอายตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นจักขาอายตนะใช่ไหมวิใช่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 สภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นโสตายตนะใช่ไหมวิใช่ปฏิสภาวธรรมที่ไม่เป็นอายตนะไม่เป็นมานาญตนะใช่ไหมวิใช่พึงผูเป็นจักกนัยปัญญติวารานิเทศจบ